แทนที่เราจะรู้ว่าโลกกลมอ่ะแค่นั้นราจบการตั้งคำถามว่ารู้ได้ยังไงอ่ะจริงๆหลายๆครั้งมันก็สำคัญไม่แพ้กับเรารู้อะไรนะคือรู้อะไรก็สำคัญแต่รู้อย่างไรอันเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาตั้งคำถามซึ่งก็อย่างที่บอกครับวันนี้จะเล่าให้ฟังเนาะ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิก พอดแคสต์ Podcast, วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวมองออกไปข้างนอกโลกนะคะจะมองไปดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าอะไรที่ดูไกลห่างออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะยากกว่าการกลับมาตั้งคำถามกับโลกที่เราคุ้นเคยนะคะ ยืนกันอยู่บนพื้นเห็นแม่น้ำเห็นมหาสมุทรกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าในอดีตค่ะมีวันหนึ่งเนี่ยมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าจริงๆโลกของเราไม่ได้แบนโลกของเรามันกลมไอการตั้งคำถามเรื่องโลกเนี่ยแหละค่ะมันก็เปลี่ยนโลกไปเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์เช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัชรรจิพนาค่ะและผมปองแปงอาจวารงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องโลกของเรากันนะคะจริงๆฟังอยากรู้ก่อนว่าไอ้คาถามว่าโลกกลมเนี่ยจริงๆมันมาจากไหนมันเริ่มยังไงพี่ปองเปงคือเอาอย่างนี้ก่อนมนุษย์เราถือกําเนิดมาบนโลกเนี่ยเาฟางเนี่ยถ้าไม่มีคนมาบอกว่าโลกกลมเนี่ยจะเชื่อว่าโลกกลมไหมเออยากเหมือนกันนะพี่เพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เดินได้ปกติเดินแบบมันไม่น่าจะกลมไหมให้กลมเราจะแบบไหลไหมเอียงไหมเวลาทำการวัดที่ดินเนี่ยอเราก็ มองที่ดินเนี่ยเป็นผืนแบนๆใช่ไหมฮะถูกไหมเอากระดาษมาเนี่ยไม่มีใครต้องมาทํารังวัดแบบเป็นกลมๆอะไรแบ่งที่แบ่งอะไรก็ไม่ต้องมาคิดถึงว่ามันโลกกลมหรืออะไรก็คิดว่าโลกมันแบนเนี่ยก็ถูกต้องแล้วก็มองไปทางไหนก็ตามเราก็เห็นแผ่นดินมันแบนไปหมดแล้วความคิดว่าโลกกลมเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องโลกกลมเนี่ยมัน มันย้อนกลับไปไกลเป็นก่อนยุคคริสตกาลมันเป็น 2,000 นันปีล่วงลาวนั้นเลยนะนานขนาดนั้นเลยจริงๆต้องบอกว่านักปรัชญาชาวกรีกเนี่ยเขามีแนวคิดว่าโลกกลมเนี่ยนานมาแล้วแต่ว่าคนแรกๆที่เอาหลักฐานมาวางให้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันกลมเพราะแบบนี้คนนี้สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นนักปรัชญาที่มีสายเลือดครึ่งหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคนนี้ผมโดยส่วนตัวชื่นชอบมากงั้นมาเริ่มที่นักปรารถคนนั้นว่าเขาไปรู้ได้ยังไงว่าโลกกลมในตอนนั้นคะ่ะและเขาคือใครด้วยเขาเขาคือใครก่อนอนักปรารถคนเนี้ชื่ออริสโตเติลอ่ะอ ค, คุ้นหูเลยคุ้นหูใช่ไหมครับคุณจากอะไรครับก็ตอนเรียนมหาลัยก็จะได้เรียนวิชาปรัชญาก็จะมีชื่อของอริสโตเติลเพลโตอะไรองี้อยู่อริสโตเติลเนี่ยถือว่าเป็น g e n ียสนะ คือเขาเนี่ยค้นพบแล้วก็คิดอะไรต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเกี่ยวกับการให้ตักกะเพื่อโต้เถียงกับคนอย่างนี้ฮะคือสมัยก่อนมันจะมีพวกวาระวิทยาเวลาขีพุ่มเถียงคนเนี่ยให้ดูว่าคนไหนตักกะวิบัติอะไรพวกนี้อริสโตเติลนี่จะเก่งมากแล้วก็อริสโตเติลเนี่ยเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ใช่คนแรกจะเป็นคนสําคัญที่พยายามอธิบายธรรมชาติด้วยธรรมชาติอืยังไงอะพี่ หนึ่งในวิธีการอธิบายธรรมชาติของคนยุค ก, ก่อนอริสโตเติลเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะพยายามอธิบายมันด้วยสเปริชวลหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากกว่าแต่อริสโตเติลเนี่ยค่อนข้างเป็นฟิสิกสูงแม้ว่าฟิสิกของเขาจะทุกคนนี้เรารู้ว่ามันผิดนะครับแต่ว่าสําหรับผมเขายิ่งใหญ่เพราะว่านักคิดอะ่ะมันต้องมีผิดอยู่แล้วแต่เรื่องที่เขาถูกนะครคือการพิสูจน์ว่าโลกกล ม, มวิธีของอริสโตเติลเนี่ยไม่ค่อยจะตรงไปตรงมา มันค่อนข้างจะอ้ อ, อมคอมากๆเลยนะคือแทนที่จะศึกษาเกี่ยวกับพื้นโลกเนี่ยเขากลับมองไปบนท้องฟ้าอืมซึ่งซึ่งมันก็อยู่ข้างนอกโลกเนาะกแล้วมันกลับมาเกี่ยวกับโลกได้ยังไงโอ้โหนี่คําถามดีมากครับก็คือเขาดูที่ปรากฏการจันทรุปราคาโอจันทรุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับโลกเนี่ยมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็เรียงตามลําดับที่ผมพูดเลยก็คือดวงอาทิตย์ นะแล้วก็ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วก็โลกนะครับมีโลกอยู่ตรงกลางมีโลกอยู่ตรงกลางอ่าดวงอาทิตย์ซ้ายสุดโลกตรงกลางแล้วก็ดวงจันทร์อยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกแล้วโลกเนี่ยก็เกิดเงาท้าไปบนด ว, ดวงจันทร์เออทีนี้เนี่ยพอดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงาของโลกเราที่อยู่บนโลก มองไปที่ดวงจันทร์ก็จะเห็นดวงจันทร์เนี่ยจากที่มันสว่างเต็มดวงอยู่ดีๆหรืออะไรเงี้ยนะครับค่อยๆว้าแหวงไปเหมือนกับมันโดนเงาอะไรสักอย่างกลืนเข้าไปนะคนสมัยก่อนก็อาจจะเรียกว่ากบกินเดือนอะไรงเงี้ยนะหรือว่าเป็นตัวเป็นเทพอะไรไปกินดวงจันทร์เป็นอะไพวกเนี้ยทั้งที่จริงมันคือเงาของโลกนี่แหละ และนักปราชญ์ก็กรีกโบราณอย่างอริสโตเติลก็รู้แล้วว่านั่นคือเงาของโลกอืเหมือนเราเห็นเห็นเงาของโลกที่เรายืนอยู่เองเนี่ยอยู่ไปท่าบอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไปทาบอยู่บนดวงจันทร์ทีนี้อริสโตเติลเนี่ยให้เหตุผลอนุมานได้ฉลาดมากว่าเรามองเห็นเงาของโลกทับไปบนดวงจันทร์เนี่ยจะ ก, กี่ครั้งกี่ครั้งมันก็เป็นโค้งแบบเดิมเสมอคือมันเป็นเหมือนส่วนโค้งของวงกลมเสมอซึ่งสิ่งที่ให้เงาแบบเนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากทรงกลม ถ้ามันแบนเงามันจะเป็นยังไงคะพี่ถ้าโลกของเราแบนเหมือนเหรียญเงาที่ท่าไปบนดวงจันทร์ก็จะเป็นแท่งคล้ายๆกับบางครั้งก็กลมบางครั้งก็อาจจะเป็นค ล, คล้ายๆแท่งไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะอตอนที่เราอตอนที่เงามันสาดขอบเหรียญอย่างเงี้ยเอาไปทับมันก็จะกลายเป็นแค่แบบแท่งไม้เสียบลูกชิ้นไปบนดวงจันทร์แต่เราไม่เคยเห็นแบบนั้นเราเห็นแต่ว่ามันเป็นส่วนโค้งเสมอซึ่งสิ่งที่ให้เงาเป็นส่วนโค้งเสมอก็คือทรงกลมเพราะว่าไม่ว่าจะส่องเงาจากมุมไหนมันก็เป็นส่วนโค้งวงกลมท่าไปบนดวงจันทร์ทุกครั้งอ ฉลาดไหมฉลาดมากเออแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะอริสโตเติลเนี่ยยังให้เหตุผลที่ฉลาดยิ่งไปกว่า น, นั้นว่าเวลา เ, ออเขาเดินไปทางทิศเหนือนะครับมนุษย์ผู้เดินทางนะไปขึ้นขึ้นไปยังทิศเหนือก็คือเดินไปทางขั้วโลกเหนือเนี่ยตำแหน่งดาวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวและดาวทางทิศใต้เนี่ยก็เริ่มจะมองไม่เห็นอย่างรวดเร็ว S <S ดาวจากเดิมที่ไม่เคยเห็นเราก็เห็นดาวจากเดิมทางทิศใต้ที่เห็นเราไม่เห็นแล้วทั้งนี้เพราะว่าเราเคลื่อนไปตามส่วนโค้งของโลกมันค่อยๆรับตาเราไปใช่ค่อยๆรับตาไปในขณะที่ถ้าโลกเป็นแผนแ่นบยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่เท่ากับความโค้งของโลกแล้วพอตอนนั้นที่อริสโตเติลเขาเหมือนกับพูดถึงเรื่องเนี้ยคนเชื่อไหมคะโอ้ยคนเชื่อครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอริสโตเติลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ผู้มี เขาก็เรียนกับครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นแล้วตัวเขาเนี่ยเหมือนได้รับการยอมรับนับถือสูงมากทฤษฎีต่างๆของอริสโตเติลเนี่ยก็เลยถูกเชื่อมานานเป็นพันๆปีเลยประมาณ 2,000 ปีได้อิทธิพลของอริสโตเติลเนี่ยยิ่งใหญ่มากมยิ่งใหญ่ซะจนคนไม่กล้าขัดเป็น 2,000 ปีอ๋อก็คือเชื่อสิ่งนั้นอยู่ใช่คือปกติที่ฟางถามเพราะคิดว่าคนพูดแบบนั้นอะคนไม่น่าจะเชื่อใช่ปะ่ะ หนึ่งคืออริสโตเติลเอาหลักฐานมากรองแล้วมันน่าเชื่อถือมากและอริสโตเติลเป็นคนน่าเชื่อถื อ, อ, อ, อลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอ ะ, ะนะครคะัแล้วหลังจากยุคของอริสโตเติลแล้วจริงๆมันมีการทดลองทดสอบหรือว่าพิสูจน์อะไรที่ไปไกลาจากวิธีการของอริสโตเติลอีกไหมคะมีก็<ล>กคือเลกของากลมถ้าตรงจรงิงๆเราต้องออกไปนอกโลกแล้วก็ม อ, ก ม, มองกลับมาแล้วดูนี่กลมไม่กลม แต่อันเนี้ยมันมันเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักยานอวกาศอะไรพวกนี้ละเราจะตัดตรงนั้นทิ้งไปก่อนการพิสูจน์ที่มันตรงกว่านั้นก็คือตรงตรงอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ตรงเหมือนกันก็คือการเดินทางรอบโลกดูซิว่าเฮ้ยเดินทางเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่าแต่จริงๆมันยังมีอีกหลักฐานหนึ่งที่ค่อนข้างจะซับพอร์ตอันเนี้ยหลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับคือตอนที่ถ้าเราไปที่ริรมทะเล แล้วมีโอกาสไปดูเรือเดินสมุทรนะฮ ะ, ฮะเรือเนี่ยเวลามันจะเข้ามาหาชายฝั่งแล้วเราเอากล้องสองทางไกลสมัยก่อนกล้องสองทางไกลก็พอจะมีก็อส่องไปตรงขอบฟ้าเนี่ยเราจะเห็นเรือเนี่ยส่วนที่สูงที่สุดของเรืออย่างเสากระโดงเรือหรือธงโผลมาก่อนเสมอถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบคือ พรผืนน้ามันโค้งลงไปแล้วส่วนที่สูงที่สุดอะมันโผล่พ้นขึ้นมาก่อนอเหมือนเวลาเรายืนอยู่บนชั้น3ามเราเพื่อนอยู่ชั้นชั้น1นึ่งอะไรเงี้ยฮะเวลาเพื่อนเดินขึ้นมาแล้วก็จะเห็นหัวเขาก่อนอใช่ปะอ่าใช่ใช่ใช่ส่วนที่มันสูงที่สุดเนี่ยมันก็จะพ้นจากความโค้งนั้นมาก่อนใช่ดังนั้นนี่เป็นหลักฐานอ้อมๆที่เราพอจะอนุมานได้เหมือนกันเพราะว่าผืนน้ามันมีความโคง้ง<ะ>โลกมันกล ม, ม, มแต่อย่างที่บอกการเดินทางรอบโลกเนี่ย ถือว่าเป็นการพิสูจน์โดยตรงครั้งแรกที่ผมว่ามันสําคัญมากซึ่งคนที่เดินทางรอบโลกที่เขายอมรับนับถือกันนะครับนั่นก็คือคุณเฟอร์ดินานแม็กซ์แยนเคยได้ยินไหมคุณคุณนะคะเคยได้ยินคนนี้ถือว่าเป็นนักเดินทางที่เก่งกล้ามากเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนกับสมัยนี้ครับมันมันก็ไม่เหมือนกันสมัยนี้เรามีเทคโนโลยี g p s แทนที่เราดีเรามีอะไรต่างๆโอ้โหชัดเจนมากโอกาสที่เราจะเดินทางแล้วแบบประสบ เรือหายเรืออะไรเนี่ยต่ำ ม, มากเลยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแผนที่ก็ไม่ชัดเจนเส้นรุงเส้นแหวงก็ยังทําไม่ค่อยชัดเจนเหมือนต้องไปในที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนไปในที่ที่ไม่รู้จักมาก่อนอะไรแบบนี้ในชะ่มันคือการผจญภัยของอแท้เลยแล้วคุณเฟอร์ดินานด์แมกเจอแลนเนี่ยก็เป็นคนแรกที่เดินทางอรอบโลกแต่มันเกิดดราม่านิดหนึ่งตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากการพยายามไปสํารวจเพื่อพิสูจน์ ความเป็นโลกกลมโลกแบดนอะไรพวกนี้เออแล้วเขาไป <Ừ. S 2> ทำไมอ่ะเขาไปเพื่อที่จะไปหาหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับในยุคโบราณในยุคนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ามันมีประเทศมหาอำนาจอยู่อยู่อยู่สประเทศนะมหาอำนาจสองประเทศเนี้เขาแบ่งแบ่งโลกกันด้วยเส้นเส้นหนึ่งว่าเฮ้ยคุณอย่ามาลําลซี่ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เฟอร์ดินานด์แมกเจอแลนดก็ได้รับมอบหมายจากประเทศของเขาว่า ประเทศนี้อยากได้เครื่องเทศแต่ทำไงดีไม่ให้ผ่านไอ้เส้นกลางตรงเนี้ยาทางไปหน่อยเฟอร์ดินานาไมชัลแลนก็เอองั้นไม่ข้ามตรงๆอะ่ะแต่ลองข้ามจากอีกทางดิ้ก็ไม่ได้ข้ามเส้นนี่แต่ก็ไปถึงเกาะเหมือน ก, นกันคื อ, อโลกสมัยก่อนต้องนึกภาพแผนที่เนี่ยมันจะมีเส้นตรงกลางแบ่งไว้นะครับระหว่างสองประเทศนี้ทีนี้ เอ่อเฟอร์ดินานแม็กเจรันบอกว่าเขาจะไม่ข้ามเส้นนี้แต่จะไปเอาเครื่องเทศมาเขาก็เลยไปอีกทางนึงแล้วก็อ้อมโลกมาอ๋อ <laughs> เพื่อที่จะมาถึงจุดตรงนี้เอาทรัพยากรนั่นแหละพูดตรงๆมีเป้าหมายใหญ่อยู่จริงๆต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเฟอร์ดินานแม็กเจรลนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางจนจนกลับมาแล้วมีชีวิตครบรอบนะเขาเสียชีวิตระหว่างทางแล้วเขาก็ไม่ได้เครื่องเทศมาเอ่อไอ้ได้ไม่ได้เนี่ยช่างมันเทิง <laughs> เอาเป็นว่าเขาเสียชีวิตระหว่างทางไม่สําเร็จ คือสําหรับเรือกลับมาสําเร็จแต่เขา่าแต่ตัวเข า, าอะเสียชีวิตระหว่า ง, งทางทําให้เขาอาจจะถือได้ว่าไม่ใช่คนที่เดินทางรอบโลกแบบครบแบบมีชีวิตแต่ทริปนั้นน่ะถือว่ายิ่งใหญ่ก็จะมาต่อที่ฟางพูดไงฮะว่ามันให้อะไรนะครับอย่างแรกคือมันเป็นเหมือนการสลายเส้นแบ่งดินแดนบางอย่างซึ่งเป็นเส้นสมมุติที่เกิดจากความเชื่อว่าโลกมันแบนเนาะ อย่างน้อยๆมันก็สลายไปในความคิดของมนุษย์แล้วว่าเฮ้ยโลกมันกลบอ่ะมาตีตีกันแบบนี้ไม่ถูกอย่างที่2คือแบบจําลองโลกในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ว่าโลกเป็นแผ่นแบนๆ แ, แล้วมีเต่ารองรององรอยู่เป็นชั้นๆนะครับคือแต่ก่อเนี่ยมันมีแบบจําลองความเชื่อว่าโลกอาจจะเป็นแผ่นแบนๆที่ถ้าใครไปแถวขอบโลกเนี่ยเรือมันจะตกะตกหลุดออกไปจากขอบโลกไปตกออกไปแล้วก็ไปสู่ความเวงว้างอนันตการเลย แล้วก็ใต้โลกที่อยู่นั้นนะ่ะก็มีเต่าตัวหนึ่งรองรับแล้วใต้เต่าตัวนี้ก็มีเต่าตัวใหญ่ขึ้นรองรับแล้วเต่าตัวใหญ่มีอะไรรู้ไหมมีอะไรอ่ะพี่ก็มีเต่าที่ใหญ่ขึ้นไปอีกไง <c oughs> ไปเรื่อยๆ<อ>เราตลกใช่ไหมเออจริงๆเราเรื่องนี้ยแม้ว่ามันจะฟังดูตลกแต่ความคิดที่ว่าโลกกลมเนี่ยจริงๆการไปพูดในยุคโบราณเนี่ยมันก็น่าตลกไม่แพ้กันนะเพราะว่ามันนํามาซึ่งความคิดแปลกประหลาดหลายอย่างว่าเอาแล้วถ้ามันกลมแล้วทําไมาคนที่อยู่ข้างใต้เรา ลึกลงไปในโลกเนี่ยเขาเขาถึงไม่หลุดไปจากโลกอะไรพวกนี้มันก็ตลกเหมือนกันนะเหมือนมันยังไม่มีเรื่องของแรงโน้มถ่วงอะไรไม่มีการทําความเข้าใจเรื่องนั้นหรือเปล่าใช่<ะ>ครับมไม่ประเด็นของผมคือว่าความคิดใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งนะช่วงแรกๆความคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามแม้แต่สังคมหรือการเมืองก็ตามเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับแล้วฟังดูเป็นเรื่องตลกไม่แพ้ แนวคิดที่ว่าโลกมันแบรนด์แล้วมีเต่ารองรับออตอนนั้นที่ไอสิ่งใหม่ที่เราคิดเราเข้าใจกันแล้วตอนนี้ตอนนั้นมันคงเป็นเรื่องที่แบบพูดอะไร<ช> ก, ก็เข้าใจแบบนี้เ ช, ชื่อแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไร<ช>แบบนี้นะคะย่งแต่ว่าโชคดีที่อริสโตเติลเป็นคนเครดิตสูงพูดออกมามคนก็เชื่อ นนได้ที่นี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงการเดินทางของแม็กเจอแลนด์สุดท้ายแล้วเนี่ยทริปนั้นก็กลับมาแล้วก็ทําให้คนพิสูจน์เห็นว่าไอการเดินทางเนี่ยมันไม่ตกขอบใช่ไหมคะ ม, ม, มันกลับมาวนกลับมาได้โอเคแล้วแล้วในยุคนั้นที่คนเชื่อแล้วก็เข้าใจกันแล้วแหละว่าโลกมันกลมเนี่ยค่ะที่ไอวิธีคิดแบบนี้เรื่องโลกกลมเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรในโลกของเราไปบ้างไหมคะ<ห>ความคิดไหนที่โหพอมารู้ว่าโลกกลมแล้วเออ ถูกปัดตกไปเลยมีไหมยอย่างแรกเลยนะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คือพอเรารู้สันฐานแท้จริงของโลกผมใช้คำว่าสันฐานก็คือความกลมความแบนอะไรพวกนี้ความกลมความรีมันทำให้การทำแผนที่เนี่ยต้องเปลี่ยนถูกมฮะคือการจะการจะวาดตีกริตลงไปบนกระดาษแบนๆกับกับกับทรงกลมเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งการทำแผนที่เนี่ยสำคัญมากต่อการสารวจโลกต่อการค้าต่อการเดินทางนะครับ เท่านี้ก็เปลี่ยนมากแล้วนะอืมอืมอะไรที่มันส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจแผนที่การเดินทางพวกนี้สําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกการเดินทางอะครับการค้าขายอะไรต่างๆเอ่อเราจะลงทุนได้อย่างสบายใจเราจะเดินทางไปเที่ยวไปศึกษาอะไรได้อย่างสบายใจมันต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องครับดังนั้นเอ่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดชัดเจนที่สุดก็คือเราจะทําเราจะสามารถที่จะทําแผนที่ที่ถูกต้องชัดเจนและมันเปิด การค้าขายอะไรที่ปลอดภัยได้ถึงแม้ว่าจุดเริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของปรัชญาเป็นเรื่องของการไปเอาเครื่องเทศหรือการเดินทางรอบโลกตว่วสุดท้ายแล้วมันมาถึงเรื่องการค้าการลงทุนหรือว่าการส่งออกวัฒนธรรมต่างๆที่ไปถึงกันด้วยแผนที่ที่มันแม่นยํามากขึ้นแบบนี้เนาะใช่ครับ <ๆ S 2> ผมพ่าความรู้แทบทุกอย่างในทางวิทยาศาสตร์<ม>เกิดขึ้นจากความสงสัยใครรู้เฉยๆคือถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธ์นะโดยเฉพาะฟิสิกส์นะครับ หลักๆมันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เป็นหลักไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่ามันจะเกิดผลอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆครั้งมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเวลาผ่านมานานพอความรู้พวกเนี้มันกลายมาเป็นเทคโนโลยีกลายมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์อืมค่ะแล้วถ้านอกจากในเชิงของแผนที่แล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วโลกกระตัดของคนเราในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะมันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เรารู้ว่าเออโลกมันไม่ได้แบนจริงๆก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้เปลี่ยนถึงขั้นพลิกโลกพลิกแผ่นดินผมมองว่าแนวคิดที่มันเปลี่ยนจริงๆนะฮะเกิดใ น, ในยุคหลังจากอริสโตเติลด้วยซ้าก็คือแนวคิดที่ว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะหรือจั ก, กรวาลของเรามากกว่า<ม>อันนั้ น, นเปลี่ยนจริงแม้อริสโตเติล จ, จะรู้นะฮะว่าโลกกลมแต่ท่านอริสโตเติล เ, เองเนี่ยก็ยังมีความคิดอยู่ว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเอกพภพ<ม>ทุกสรรพสิ่งโคจรรอบโลกทั้งหมด เรายืนอยู่บนโลกเราไม่เคยเห็นเลยว่าโลกเนี่ยมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในลักษณะอย่างไรซึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นเนาะเราเห็นดว ง, ด, วงดาวเราเห็นวัตถุท้องฟ้าอะไรต่างๆเคลื่อนที่ไปรอบๆตัวเราทั้งสิ้นคืออะริสโตเติลไม่ได้คิดจากความเลื่อนลอยเขาคิดจากสิ่งที่เห็นและสมเห็นสมผลในแบบของเขาแต่สิ่งที่มันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินและพลิกความคิดมนุษย์อย่างแท้จริงอะ่ะคือความคิดที่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางเอกภพต่างหาก อ, อันนั้นอะผมก็น่าสนใจซึ่งเกิดหลังจากยุคอริสโตเตลเป็น2000ปีเลยนะทีนี้ฟังอยากรู้ต่อแล้วว่าหลังจากที่ไอความรู้เรื่องว่าโลกกลมเนี่ยมัน ม, มาเปลี่ยนแผนที่ไปละมันนําไปสู่การศึกษาเรื่องอื่นต่อดีไหมคะพี่บงการจริงๆต้องบอกว่าพอเรารู้ว่าโลกมันกลมเนี่ยนะมันการจะตอบได้ว่าทําไมคนที่อยู่ขอบโลกหรือข้างใต้เราเนี่ยถึงไม่ตกเนี่ยมันเหมือนปูทางไกลๆมาซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงละ ซึ่งการทําความเข้าใจแรงโน้มถ่วงอย่างลึกซึ้งเนี่ยอนอกจากจะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของดาวเคราะห์อะไรต่างๆนะครับหรือการโคโจรอะไรพวกนี้มันยังนํามาซึ่งเทคโนโลยีดาวเทียมที่เราใช้กันทุกวันนี้เรื่องแรงโน้มถ่วงของสิ่งที่แบนกับสิ่งที่กลมมั น, ม, น, ม, นมันแตกต่างกันเนาะใช่เราว่าดูอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าการศึกษาหรือว่าการหาข้อมูลที่ทําให้เราพิสูจน์เรื่องต่างๆได้เนี่ยมันต่อยอดกันไปเรื่อยๆวิทยาศาสตร์ต่อยอดให้เกิดสิ่งอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆอีกน้ไม่ท่วนเลยเนาะอถูกต้องเลยครับเป็นอย่างทีนี้พอวันนี้คุยกันแล้วค่ะฟังรู้สึกว่าพอฟังแล้วเนี่ยเรื่องราวของฟิสิกส์แล้วก็วิทยาศาสตร์การค้นพบการตั้งคำถามต่างๆทั้งกับ ตัวโลกของเราเองไปจนถึงสิ่งอื่นๆนอกโลกเนี่ยมันค่อยๆขยับเนาะขยับความรู้ขยับขอบเขตของชีวิตของเราเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จบคําถามใหม่ๆข้อค้นพบใหม่ๆนี่แหละที่ทําให้โลกของเราพัฒนาทําให้ชีวิตของเราแบบมันดีขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณฟิสิกส์แล้วก็ขอบคุณวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะครับก <laughs> ลับมาติดตามเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะคะในใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็ u b e Channel ของ The Standard Podcast เจอกับฟังแล้วก็พี่ปกแป่งกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears